เรื่องสู่วงพระพุทธศาสนาหลังจากการทำสงครามยึดนครจำปาสัก์สิ้นสุดลงมีนายทหารท่านหนึ่งมากราบท่านพระอาจารย์มั่นด้วยความเลื่อมใสมาถึงตอนเช้าก็ถวายทานปกติระเบียบของท่านพระอาจารย์มั่นถ้าแขกมาอย่างนี้นะท่านจะไม่ให้มาเวลาเช้า เวลานี้ท่านจะต้องให้ต้อนรับแต่ถ้าเลิกฉันบินทบาตแล้วหมดเวลาจนถึงบ่ายสาโมงและจะต้องมีผู้นำมาถ้าไม่มีผู้นำท่านไม่ให้เข้ามาทีนี้ท่านมาคนเดียวขึ้นไปกราบนมรสการแล้วท่านก็รายงานตามแบบทหารชื่อนั้นชื่อนี้ยศท่านเท่านี้ท่านพระอาจารย์มั่นก็เทศนาเกี่ยวกับทานศีลเนคขมมะการออกจากกาม โทษของกามหลังจากท่านเทศจบ ก, ก็ลากลับพอตกค่าหลังจากอบรมพระเนนเสร็จแล้วผู้เล่าได้เข้าไปปฏิบัติท่านถวายการนวดท่านก็ปรากฏเปลยๆขึ้นว่าอันนี้ได้เหตุล่วนะคำว่าอันนี้หมายถึงตัวท่านวันนั้นตอนเช้าใกล้จะสว่างท่านกำลังทำสมาธิอยู่ก็มีนิมิตปรากฏว่า มีในพันคนหนึ่งมารายงานตัวว่าผมมาจากวอชิงตันตอนนั้นก็ยังไม่ได้พิจารณาอะไรหรอกบังเอิญมาพบในพันทหารไทยคนนี้ท่านก็จึงหวนพิจารณาได้ความว่าในพันทหารไทยคนนี้นะสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งไปรบอยู่ที่ประเทศเยอรมันมียศเป็นในพันทหารเหมือนกันเป็นคนอเมริกันและพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห ได้ส่งทหารไทยไปรบอยู่ที่เยอรมันนั่นเองอยู่ฝ่ายสัมพันธมิตรสมัยนั้นเวลาพักรบนะพักจริงๆขนาดทหารฝ่ายสัมพันธมิตรกับทหารเยอรมันจุดบุหรี่ด้วยกันได้ไม่เหมือนทุกวันนี้หลังจากพักรบแล้วในพันทหารไทยก็มานอนอ่านหนังสืออยู่ที่เปลในพันทหารอเมริกันก็เข้ามาถามอ่านหนังสืออะไร อ, อว่าอ่านหนังสือเรื่องเบญจศีลเบญจธรรมเขียนโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพยาวชิรญาณ น, นวโรดต์เขาบอกว่าเขาอยากรู้อธิบายให้เขาฟังได้ไหมในทหารไทยก็อธิบายให้ฟังแกก็เลื่อมใสพูดว่าผมถือคริสผมจะปฏิบัติอย่างนี้ได้ไหมตอบว่าขึ้นชื่อว่าความดีนี้ไม่เลือก ะนับถืออะไรก็ทำได้แกก็เลยสมาทานศีลห้ากลับไปอเมริกาไปสิ้นชีวิตลงที่นั่นด้วยอานิสงส์ของการรักษาศีลห้านี้ก็พลัดเข้ามาสู่วงพระพุทธศาสนาพอพลัดเข้ามาแล้วก็ยังได้มาเป็นในพันทหารอีกเหมือนกันคือท่านพันเอกนิ่มชโยดมคนที่มาเมื่อเช้านั่นแหละ เธอต้องการอยากจะสําเร็จเป็นพระโสดาบันเธอพูดกับท่านพระอาจารย์ว่าจะได้ปิดประตูอบายจะเป็นไปได้ไหมท่านอาจารย์ท่านตอบว่าสําหรับผู้ปฏิบัติก็คงจะได้กระมังเธอก็ยังสงสัยลังเลอยู่ยังไม่มั่นใจพอกลับไปกราบท่านพระอาจารย์ครั้งที่สองก็ถามอีกครั้งที่สามก็ถามอีก ท่านพระอาจารย์มั่นก็พูดเหมือนเดิมหลังจากในพันเอกนิ่มกลับไปแล้วขณะผู้เล่าถวายการนวดอยู่ท่านพูดว่าเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะบารมียังอ่อนเขาเป็นพาหิราศาสนาศาสนาภายนอกมาหลายภพหลายชาติด้วยอานิสงส์ที่รักษาศีลห้าในพระพุท ธ, ธศาสนาจึงพลัดเข้ามาสู่วงพระพุท ธ, ธศาสนา ต้องมาเกิดในประเทศไทยนี้ถึงสองชาติเสียก่อนจึงจะได้สำเร็จเป็นพระอาริยะบุคคลโสดาบันเพราะบารมียังอ่อนหมายเหตุพันเอกนิมชโยดมเป็นคนพิศนุโลกได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนนิมมานกลยุทธในพศสอง5ประมาณปีพศ2490 ถึงสอง2ย้ายไปรับราชการเป็นผู้บังคับการทหารบกอุบลราชธานีในโอกาสออกตรวจเยี่ยมหน่วยทหารท่านได้ถือโอกาสเข้าไปกราบนมัสการท่านพระอาจารย์มั่นณวัดป่าบ้านหนองผือครั้งหนึ่งเมื่อไปถึงวัดป่าบ้านหนองผือเป็นเวลาพลบค่ำแล้วมีคนมาต้อนรับและนำไปพักยังศาลาที่จัดเตรียมรอไว้โดยมีที่นอนเตรียมไว้พอดีกับจานวนคน ที่ร่วมคณะทั้งหมดซึ่งมีแปดคนพอสอบถามก็ทราบว่าท่านพระอาจารย์มั่นสั่งเตรียมไว้ล่วงหน้าตั้งแต่กลางวันแล้วว่าจะมีคณะมาพัก8ดคนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ท่านพันเอกนิ่มอาัศาจรรย์ใจเป็นอย่างมากเมื่อกเกษียณแล้วท่านมักไปถือศีลปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นสิทธิของท่านพระอาจารย์มั่นเช่นหลวงปู่แหวนสุจินโน หลวงปู่ฟ้นอาจารโรเรื่อยมาจนชราภาพมากจึงหยุดไปและท่านได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่แกันยายนพุทธศักราชสองพอในส่วนหมายเหตุนี้เรียบเรียงจากประวัติพันเอกนิ่มชโยดมและบทสัมภาษณ์คุณนรงชโยดมซึ่งเป็นบุตรชายคนโตของท่าน